大家今晚咧，我哋嘅一個講題咧，就會用一個國畫嚟開啓。首先咧，同大家介紹我呢位師傅，宋光 แก นกระปองไปนั่งเงครื่องที่ปีนากลับสาวองีอไ มีโอกาสได้พูดธรรมะตรงนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเหมาะสมสหรับพวกเราใช้ส้อยเกิดประโยชน์ตามที่พุทธเจาประสงค์ปราเป็นถ้ำเป็นเนื้อมเป็นผาเป็นที่อยู่ของพระเจ้ประสงค์เป็นที่สงบเป็นที่เยือกเย็นทีน่สงบเป็นความคิสงบ พระน้ามาจากเมืองไทยมีธรรมาภาพวัดท้นเต่าและอาจารย์จำระอาจารย์ทาโชโตอยู่เป็น้าววดอยู่วัดหลังสารจังหวัดภูเก็ตมาช่วยบอกช่วยบอกปัด บ, บอกทำด้วยและกับูกศิษย์ที่เป็นพระอีกสองและกับคราวาหนึ่งสองสามกับไม่ชีที่มาเป็นกันและก็มา เมื่อเก็ไปทักที่พีนังที่สมัครมอะไรรู้นจำไม่ได้กระพุทธมาไปยกหนึ่งเช้าบิพรบาทฉันฉันฉันัแล้วมานี่มาตั้งแต่ใบหน่งใบสองบสท่านี่ผูปาเนใูเลนารีอนกาบตเป็นย่ที่ผูช 呢啲古宅舊屋嚟嘅，但係我哋今日嚟睇古屋嚟，一邊嘅古屋，呢邊嘅古屋係新百年嘅，舊嚟，就咁樣講到，就要向大家開始開始講一講區道，同大家見面，因為今次有呢個反時差嘅邀請。 ขึ้นไปสิบภาษาขึ้นไปทั้งนั้นมีพรพับพี่น้อไม่กี่องสอ ง, สององสามองค์นอกนั้นมีแต่พระเทยราชยี่สิบสามสิบขึ้นไปธรรมค้ามีกับสามสิบเก้าเป็นมหานิกาย7แล้วอาจารย์จำราณกับสามสิบแภาษาบทเป็นไปธรรมยุทธ์เนี่ย เราเห็นเมื่อเห็นว่ามีครูบาอาจารย์มองเพื่อนมามากแล้วก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะเป็นเวลาที่พวกเรามารวมกันก่อนฟังเทศก็ควรจะมีการทับวัดตวจมนซึ่งเป็นธรรมเนียมของพวกเราต้องใชไหที่บริเวณ People dying. ตรงป้าม พระเจ้าไม่เคยทรงตรัสว่าสิ่งที่เป็นมงคลนอกอเหนือไปจากกิริยาการกระทําเราดูมงคล38มนะมงคล38อย่างมงคลสอข้อที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยการฟังธรรมเป็นอุดมมงคลการสนทนาธรรมซึ่งการละกันเป็นอุดมมงคลสิ่ ง, งเหล่านี้แหละเป็นมงคลคําว่ามงคลเป็นเหตุนในความเจริญ คำว่าเจริญใน่นี้หมายถึงว่าเจริญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันเป็นกิริยาที่เรามากเราคือ ด, ด้วยกายเป็นที่ให้เจริญคืองามกิริยาวาจาก็งามกิริยาทางใจก็งามท่านจึงเรียกว่าเป็นบุญมงมงคลท่านยังบอกถ้าเฉลยลของที่อยู่เฉลยี็สิ่นันน้นไม่ตอนน้ตองแยกย้า 我哋嘅行為，我哋所做嘅嘢，譬如正話所講的輕文明法或者討論文明，係一個好不長嘅事。不長嘅意思咧，係可以帶嚟幾多年進步或者提升。提升咩咧？提升就係心口意，幾耐嘅心口意啊，儘量去提升我哋嘅行為，因為行為咧都變成一個好好嘅行為。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 บูชาจะมูชะนียานังเอตมัมบางคำมุตมับูชาเป็ะคนไมควรบูชาเป็นรมังคุณนี่คือความเป็นมงคลพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยทรงตรัสว่าสิ่งนั้นเป็นมงคลสิ่งนี้เป็นมงคลแต่ทรงชี้มาที่พฤติกรรมของคนพฤติกรรมคือการกระทําด้วยกายกรรมของเราด้วยจีรยกรรมของเราด้วยมโนกรรมของเราถ้าเราทําถูกต้องตาม 38ประการที่พระรองค์ทรงกล่าวไปแล้วมีความเจริญเป็นสถิตเป็นมงคลแน่นอนอไ่มเที่จขจวิย้ขอ้า <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าคุบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ หรื อ, อยากโยมทุกคนต่างต้องการความเจริญความเป็นสิริความเป็นมง ค, คลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจึงตั้งอกตั้งใจมาประกอบในสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดความเจริญในหัวใจของเราเหมือนอย่างที่เรามีความพร้อมดูนับเวลานี้ตอนนี้วันนี้ชุนญา เรื่องวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงเราก็ไม่ปฏิเสธเช่นอย่างรูปเหรียญของครูบาอาจารย์ได้ถูกแขน ได้สีขาวได้สีแดงนี่เราก็าไม่ปฏิเสธสิ่งที่เป็นวัตถุที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นวัตถุซึ่งเป็นร่องรอยของความเป็นสริริเป็นมงคลมีสิ่งเดียวสิ่งนั้นคือพระบรมสารีริกธาตุคือเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าเพราะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั้นเป็นประจักษ์พยานว่า พระไทยของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์หมดจดจากงเกล็ดโดยชิ้นเชิงแล้วพระธาตของพระกอรหันต์ทั้งหลายพระธาตของครูบาอาจารย์ของเราครูเสาครูมั่นอย่างนี้เป็นต้นทิ้งนี้เป็นเป็นวัตถุมงคลโดยหลักธรรมชาติแต่อย่างอื่นเป็นสิ่งที่เศษเอาทั้งนั้นเช่นอย่างเป็นรูปเป็นเหรียญเป็นโลหะเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่ปฏิเสธความเป็นสลิดเป็นมงคล แต่ความเป็นสิ่เป็นมงคลของสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเป็นสืส่อข้อสู่หัวใจไม่ใช่มีข้อปฏิบัติกั บ, กบโดยตรงเหมือนอย่างที่พทุทธเจ้าทศงตรัม์มงคล3าประกาเรเอาไว้จำได้เปะ่าเมื่อเรื่องเช่นนี้หรือว่าคุณอะไรเนี่ยหลายคนจะจะคิดถึง ที like ่ผงอะ้ามาเล่าให้นฟังอะสกว่นี้ที่หูหไมนีดี่พูวานีีม่พูดวานี่ดที่ดีทงหม็นเพแค่ตัอย่ มีความกลัวเป็นพื้นเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นในหัวใจเราเอาความใจยึดสิ่งนู้นเป็นที่พึ่งยึดสิ่งนี้เป็นที่พึ่งยึดต้นไม้ยึดภูเขายืดไปยึดไปยึดไปเลยกลายเป็นมีวัตถุมงคลวัตถุบุคคลต่างๆเป็นรูปเป็นเหรียญเป็นของขลังเป็นกระตุกอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเป็นรูปที่ทําขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจแต่ที่พึ่งเหล่านี้ บางทีก็ลุกลามไปถึงพึ่งต้นไม้พึ่งภูเขาพุ่งจอมปลวกพึ่งพระทิตพึ่งพระจันทร์นี่คือกิอ่กลัวพอกลัวขึ้นมาแล้วก็หาที่ยึดหาที่เกาะแต่การพึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ประเสริฐเลยการพึ้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นประเสริฐที่สุดเพราะทําให้เราพ้นจากทุกตะพวงได้เด็ดขาดได้โอ้ยคนหนึ่งคนหนึ่ง 嘅兩個學生咧，喺我哋嘅時代生入面咧，啊基本上每一個人都會有呢個恐懼感，就係有一種怕，我一恐懼，聽呢個呢啲嘢又聽嗰個嘢聲，咁樣咧人先會去揾嘢嚟依靠， de la consulta พระเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งและก็พ้นทุกข์ได้จริงเพราะฉะนั้นเ ร, ราจึงแต่ว่าสิงอื่นพึ่งได้อยู่แต่ก็บน้นทุกข์ไม่ได้แต่การที่มาตั้งใจเอาพระพุทธพุธเจ้าพระพธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทางใจย่อมสามารถทำให้คนจาบทุกข์ทั้งปวงได้เพราะการพึ่งพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ทางด้านจิตใจนั้นจะต้องจะต้องทำเหตุจะต้องประกอบเอีต จะต้องศึกษาสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงต ร, รัสมงคล38ประการที่พระองค์ทรงกลั่นปรองมาแล้วว่าสิ่งนี้แหละเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงดเดียรนเดียร์你可以靠你可以带你可以去 有呢個三寶，嗱，我哋先可以解決啊，解除一切痛苦。點解咧？因為起頭階段，當你相信呢三寶之後，你仲要去學法，要去聽聞佛法，學習佛法之後咧，自己去修行，通過修行先至可以俾你帶來最好嘅呢個。 พระพุทธเจ้าปรับสรุปธรรมพระธรรมเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้ตั้งใจพัตถปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงพวกเรารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนมาจนทุกวันนี้ตัดเรื่องนี้ตดี มองในองค์พระพุทีเจ้าเองต้นท่านหรือพระพุทธองค์สอนอะเรในตัวนี้ระ่งนี่กบจริงในแม้แต่ก็ตามที่เราไล้ราก็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 ก็เป็นการปล่องเราไปสู่หัวใจของเราเพื่อเป็นเห็นให้ใจใจของเราทำงานจะได้เป็นรูปิจ้าพระธรรมประสงค์คือเป็นที่พึ่งอันุดมเมองมงคลประกอบด้วยกิริยาที่เราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ในเมื่อเราประกอบเหตุอย่างนี้คนทั้งหลายทั้งปวงก็จะตามมาเห็นไหมความอาิการที่ว่าจารณกที่ใจ 我哋就係要通過呢個參數咧，就係收埋嘅心，就好似正話頭先咧，我哋做一個難過，我<音><音><音> We find. ไปได้ยินได้ฟังได้รับคําบอกคาสอนจากใครแต่ก็ต้องอาศัยบุญญาบา ร, รมีที่พระองค์ทรงประเพณิมาแปดหม่อ่าสี่อสองษรไทยกําไรแสนเก่าแปอสงษรไทยกําไรแสนกัาสิบหกอสงษรไทยกําไรแสนกัออ า, า ก, ก, การสร้างบา ร, รมีเพื่อเพื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเข้ามารู้เข้ามาชาระสิ่งที่สบกรในหัวใจให้หมดจด คือกิเลสจำวก็ให้หมดจดจากจิตใจเพื่อให้จิตใจหมดจดจากกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อกิเลสหมดจดจากหัวยใจเมื่อเหตุที่กิเลสมันเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้รับความทุกข์มันแย่ออกมาให้เราแสดงกิริยาทางกายนําผลมาคือความทุกข์แสดงให้เราให้เราแสดงกิริยาทางวาจานําผลมาคือความทุกข์เนื่องจากว่ากิเลส ให้เราทําตามความอยากไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้การ ค, รคร่อยคุนเพราะฉะนั้นกิริยากายกรรมไม่ดีกรรมโนกรรมสําหรับผู้ที่ศึกษาพร ะ, ำำพระพธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้เปรี่ยนผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมักจะเสื่อมเปรี่ยนเพราะมันจะเป็นพฤติกรรมหรือกิริยาที่กิเลส ย, ย, ยุ่ยแย่ในหัวใจ ให้เราแสดงพฤติ ก, กรรมตามมาันผลคือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามม า, าแค่นี้ก่อนตังใ่อนยืดหแุุุด กิริยาของกิเลสแสดงความโลภให้ปรากฏที่ใจแสดงความโกรธให้ปรากฏที่ใจทัออ้งรัตมังก า, ากรรมและจีกรรมด้วยแสดงความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาพยาบาทความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาพยาบาททั้งหลายทั้งัวงเหล่านี้เป็นเหตุทําให้กิจใจเราเศร้าหมองนําความทุกข์มาทับถมัว้ใ่ของเรา เราย้อนไปดูแล้ก็เป็นเหตุก่อเกิดแห่งพพแห่งชาติทั้งหลายทั้งปวงไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาเกี่ยวข้องอกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและธรรมประสงค์เพื่อต้องการจะมาศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจและพยายามตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดให้กิริยาแห่งความโลภหัวใจของเราความโกรธราคะกังขานในหัวใจของเรา หมดไปเบามาไปในที่สุดเพื่อเกิดความหมดจดให้จิตของเราหมดจดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสงฆ์สาวพระภาริยสาวกแต่ถ้เื่อมา้มัวน้นะต้องงเราไม่ีาี่ก็้ 原因就係要你學習呢道地，學開之後咧，就跟住佛學所講嘅空性心，而假使我哋真。 กิเลสตัวกิเลสก็คือตัณหาโดยหลักๆก็คือความโลภความโกรธราคะตัณหาที่หัวใจของเรานี่เองแสดงคิดสองเป็นกิริยาเป็นปฏิกิริยามากมายที่ท่านทรงท่านทรงเรียกว่ากิเลสทันหาตัณหาร้อซึ่งมีมากมายแล้วแต่จะแสดงคิดสองออกหมายปรากฏ ก, กับเราอันนี้ถ้าหากเราตั้งใจศึกษาธรรมะ เราพยายามน้อมมาเราจะเห็นว่าตัณหาในหัวใจของเราแหละก็ตัวกิเลสคือตัวกิเลสคือตัวตัณหาตัณหาแปลว่าความหยาดความพิ่นรนความเีอยเฉยานของใจเราดูไปที่ใจของเราในขณะที่เรานั่งขณะนี้ยยวนี้เราดูไปที่ใจของเราถ้าเราพยายามสังเกตสังการเราจะเห็นความยาในหัวใจของเราดีดิ้ดมทำไเรานึกอย่านั้นนึกหย่านี้ คิดจะทำอย่างนั้นคิดจะทำอย่างนี้คิดอยากอิจราเสียเนี่แหละคือพลังอนาจของตังหาอนนี้เกัเาไ่าอนงทีเงทาอะไรทุด นท่ก็一直ต้องอรมวาึก็เป็นการท้าที่รวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นต้องขวนขวายเอาเองเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างบารมีมากมายมหาศาลแต่วิสัยภาษาพวกนั้นเป็นผู้ที่จะต้องได้ยินได้ฟังจากพู้อเช่นอย่างได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้า เช่นอย่างพระอัญญาโภตัญญาเนี่ยเป็นสาวกองแรกได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจา้าเนื่องจากพระพุทธเจา้าท่านค้นคว้าด้วยโระโองคเองเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยชำระกิเลสซึ่งมีมากมายมหาศาลในหัวใจของเราเนี่ยให้หมดให้หมดไปจากหัวใจแล้วเอาธรรมะเหล่านั้นมาสอนลูกศิษย์มาสอนสาวกทําให้สาวกพิจารณาและได้บรรลุธรรมตามไปด้วย 去講出嚟，需要自己去心，去自己去發現呢個道理，呢個修學方法。佢所以佢需需要用好長時間。但係咧，如果真係不恥字啊，道佛嘅呢個學生嘅話我哋就唔需要好似佛咁樣樣，我哋係跟道佛所講的嘢去做，聽開之後跟道佛嘅心。 ตมอีี่่ทหลักใหญ่ๆที่ท่านสอนให้เรากำจัดกิเลสหลักใหญ่ๆที่ท่านให้เราทุกหลักพื้ปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสก็คือเริ่มบ่อยตั้งแต่การให้ทางเป็นการกำจัดความความตระหนี่ในหัวใจของเราความตระหนี่ความเหนีวแน่น ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราคือการให้ทานจากนั้นก็มีกานให้ตั้งใจรักษาศินขยับเข้ามาถึงกายกรรมของเราวัจจิกรรมของเราเพราะว่ากิเลสสามารถยุบแยงกายกรรมของเราให้แสดงกิริยายังไงก็ได้วัจจิกรรมของเราให้แสดงกิริยายังไงก็ได้เช่นอย่างมาฆ่าสัตว์มารักทรัพย์ไม่มาประพฤติผิดในการมมาพูดเท็จ พูดยาพูดส่อเสียพูดฟดุตเจอแล้วก็ดึงสุราเมาีไรคุณทิศยาท่านจริงทรงให้ให้รักษาสินเพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นว่ามีศินห้าสำหรับชาวบ้านทั่วๆไปที่เรียกว่าปัญจศินคือศินห้ขยับเข้ า, ามาอีกสินแขยับเข้ า, ามาอีกสินของสมเัยสินสิบขยับมาอีกศินของพระสงฆ์227ร้สิบเาแต่ละข้อแต่ละข้อนี่ท่านทรงบัญญัติ เพื <unlucky>. <S <S <LGBTQ ン>่อมากำจับกิริยากายให้กายกิริยากายกรรมของเรางามกิริยาวาจาวาจีกับของเรานงามจะเป็นเหตุให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์วจีกรรมของเราบริสุทธิ์สมัยวิประ主要可以分成几种最主要嘅就系咧第一种系不在于我哋学习去布施 佈施嘅意思就係將你自己嘅嘢攞出嚟，同其他啲人，或者係啊其他嘅相關嘅關係，譬如攞嘢嚟幫人，幫啲咩人，攞嘢嚟俾師傅，甚至係攞嘢嚟動物都好，呢啲全部咧都係屬於佈施嘅行為，去幫需要幫嘅人。點解要需要佈施咧？因為呢個佈施可以 อย่างๆของกิเลสที่แสดงออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมของเราเมื่อเรากํากับกิริยากายกรรมแลวจีกรรมด้วยศินกิเลสออกมาแสดงกิริยาทางกายกรรมไม่ได้ทางวจีกรรมไม่ได้กิเลสก็แสดงกิริยาทางวโนกรรมคือจิตใจของเราพราะเจา้าพุทธเจ้าท่านจึงสรงให้พวกเราภาวนาสุดโต เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกิน่นเรื่องสัมผัสคิดแล้วก็ยินดีก็ดึนเข้ามายินร้ายผลักออกไปเพราะฉะนั้นอันนี้จิตยิงเป็นเหตุเป็นต้นต่อที่จะเป็นเหตุลุกลาำใหญ่โตไปถึงอย่า ง, งอื่นกิเลสแสดงกิริยาทางกายกรรมไม่ได้แลเวทีกรรมไม่ได้เอาเสียมากำสาป ก, กิเลสและดิน้นดิ้นอยู่ในหัวใจพระองค์จึงให้ภาวนาที่ใจการภาวนาที่ใจ มันเป็นการระงับ ก, กิลเลสไม่ให้แสดงกิริยาที่ใจของเราทางให้ปฏิบัติวิธีหนึ่งก็คือให้จิตสงบวิธีที่สองให้พิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเหลี่นเพื่อให้รู้เท่าทันความลุ่มหลงที่มนันยุดใหญ่กินของเราให้รุ่มหลงเพราะฉะนั้นการตั้งใจภาวนาสัมปัาภาวนาวิปัสสนาภาวน า, า, วนาจึงมีเหตุผลมาตรงนี้เองเป็นเหตุผลว่า เอางานเหล่านี้มากํากับที่ใจของเรามากํกากับทําไมมากํากับเพื่อระงักกิริยาของกิเลสที่มันแสดงออกมาทางใจกิเลสแสดงกิริยาออกมาทางหน้าจิตใจซึ่งกันเหตุเป็นต้นต่อพอมันแสดงเต็มที่มันก็จะถลักออกมาทางทางกายมันจะถลักออกมาทางวาจามาแสดงกิริยาต่างๆาของมันทางกายยังกับมาแสดงกิริยา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 เราเอาอารมณ์ไปกำกับที่จิตเช่นอย่างเราจะภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธมีสติกำกับซื่อช่วง ต, ตะลอดไม่ปล่อยเกินช่องว่างทาให้จิต น, นึกอยู่กับสิ่งเดียวกับเรื่องเดียวนึกคำว่าพุทโธพุทโธคาว่าพุทโธจึงเป็นอารมณ์ธรรมเป็นอาหารของใจไม่ใช่อาหารของกิเลสมันเป็นอาหารของธรรมไม่ใช่อาหารของกิเลสเมื่อเราทําไปมากน้อยเท่าไหร่ ของเราที like this, ่เคยดีดดินเพราะเกลียดนราไปใช้พอเราดึงให้เขาเด็มชัดอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธจิตก็จะเริ่มสงบอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธจิตจะสงบอยู่กับอารมณ์เดียวคำว่าพุทโธพุทโธอยู่นานเท่าไหร่ก็ให้เขาอยู่นานไปเท่านั้นแหละจนกว่าเขาจะเออเขาจะอิ่มเขาจะลดเขาจะละเขาจะวางอารมณ์คําว่าพุทโธเราก็พิจารณาอยู่อย่างนี้ภาวนาอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องไป เพื่อความสงบจากนั้นแล้วทานก็นเอาจิที่สงบมาพิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของวิปัสสนาหรือทิราวัฒภาวนาปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นจึงเป็นสายงานที่มากากับกายวาจาใจของเราเพื่อปราเพื่อปราเพื่อปราเพื่ อ, อ, อกำจัดเกลียดในหัวใจของเรา 啊，感覺。煩惱佢通常就係通過你個身體同埋口嚟表現。咁當我哋養好呢個戒之後咧，呢個煩惱就俾呢個戒控制住，佢想殺，佢唔俾佢殺，最足唔到力。呢個煩惱就冇地方走。咁你通過呢個戒守住個心，就係。 在你嘅心就搞鬼啦。咁當你嘅心嗱，通過你嘅頭腦嚟搞鬼嘅話咧，呢啲都係多餘嘅，叫做開心無他，呢啲都係。 ก็คือกิเลสในจิตของเราเนี่ยสงบจิตของเราไม่สงบก็คือกิเลสในใจของเราเนี่ยมันทําให้จิตของเราไม่ได้รับความสงบทําไมจึงไม่สงบสมมติเราตั้งใจจะภานาพุทโธพุทโธพุทโธแต่เราลืมกระมัดระวังลืมกํากับด้วยสติอย่างแน่นหนามั่นคงเพราะสติจาะยืด ยังยานยื้ยยอนยอนยันยานเสหน่วยความรู้สึกก็ยานไปกิเลสก็จะมาสวมรอดเอาไปนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงดรื่องกลิ่นรืองเรื่องสัมผัสเอาไปนึกเรื่องปัญหาสารพัดที่มันยังคล่องทางในหัวใจของเรานึกไปนึกไปนึกอย่างไรอย่างหนึ่งนึกไปนึกไปจะมาเกิดราคะเกิดโทสะเกิดความโกรธเกิดอิจฉาเกิดริษยาเกิดพยาบาทมันเอาไปทุกอย่างไปนึก เราทำกิจของเราได้ครับความสงบคือมันเอาจิตของเราไปใช้นึกไปในทางเสียไม่ได้นึกแต่ในสิ่งที่เป็นธรรมนึกไปนึกไปนึกไปนึกไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตก็จะเริ่มอิ่มเมื่อจิตเริ่มิ่มมันก็สงบสงบอยู่กับคำพุทโธพุทโธพุทโธจากนั้นแล้วสงบไปเรื่อยสงบเรื่อยอิ่มไปเรื่อยอิ่มไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ว่าพุทโธเขาจะไม่กับมีพุทโธเขาก็ไม่ไปไหนก่เรีลสมดุจจิตไปใช้งานไม่ได้จิตจึงสงบระงับจากกิเลสจิตสงบระงับจากกิเลสแต่ตัวอนุสัยของกิเลส ย, ยังมีหัวใจเจ็บแปรอยู่ดูในอนุสัยของเราเจ็มแป่อยู่กิเลสสามารถระงับได้ด้วยรัยสามารถชะลอได้ด้วยสติกิเลสสามารถ ระงับได้ด้วยสติหรือตังหาสามารถชะลอได้ด้วยสติชะลอได้ด้วยความสนุบแต่เราสามารถจะตัดกระแสแห่งตังหาเหล่านี้ขาดได้เราจะต้องตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาเรื่องอำนาจของปัญญานั้นสามารถเอาไปชักล้างความหลงของจิตของเราจิตของเราหลงถ้าเราตั้งใจภาวนาเราจะรู้ว่าจิตของเราหลง เช่นอย่างเราตั้งใจาวพุทโธพุทโธพุทโธมันเหมือนมีอะไรบางแคบอ่าไปแล้วฝากคิดไปเรื่องน้นแล้วพุทโธพุทโธดึงเข้ามาดึงมาแทปไปเรื่องนั้นอีกแล้วช่วงระหว่างมันไปแคปเดียวเยเหมือนกับเส้นผมบังบางตาแทปเดียมมันไปช่วงนี้แหละ็นความหมันละเอียดไม่เอียเราเลองเข้าไปนี่แหละคืออวิชชา อภิชาคือความไม่รู้ความไม่รู้เท่าชันคือโมหะในขณะที่เราปฏิบัติงานอพอสติของเรามันอ่อนสติของเรามันอ่อนปล่าเนี่ยกิเลสมันมีกําลังมากกว่ามันก็มาแทรกเข้าไปแล้วพอสติมันอน่อนกิเลสมีกาลังมากกว่ามันก็แทรกเข้าไปแล้วจิตจึ ง, จงไม่ได้รับความสงบจิตสงบก็คือจิตไม่เลไม่คิดสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นตัวของตัว จิตบรรจุของตัวนั right. ้นจิตมีความสุขจิตมีพล um. well ังจิตมีความวิเศษศักดิ <t Rose> ์สิทธิ์แค่จิตของเราได้รับความสงบเราจะมีความสุขจากนั้นเราเราพลังของความสงบจมาพิจารณาอ่านัปัญญาการพิจารณาคือเอามาพิจารณาคลี่คลายดูทําไมเราจึงต้องพิจารณาคลี่คลายถ้าเราไม่พิจารณาคลี่คลายก็จะทําให้เราหลงลงยึดกายของเราหลงยึดจิตของเรา หลงยึดทุกสิ่งทุกอย่างตามอิเลียมันยุ่งเหยิงิตมันพายึดอิเลีมันพายึ ด, ยยยดท่านยิ่งให้เอาความสุบของจาาติตนี่แหละทิศทางจากด้านปัญญาความสุบของจิตมันเป็นการไวต่อหลักศัจธรรมศัจธรรมอย่างหยากเพื้่อจะปรากฏขึ้นที่จิตในขณะจิตที่จิดได้รับความสนุกอย่างน้อย เ, เราก็รู้ว่าเออกายเป็นกายจิตเป็นจิต มีความสุขมีความสัาคัญอย่างนี้เป็นความเพระว่าเมื่อสงบรุข的时候ิเองก็ะเป็นตัว่ทนของความสุข sama uh -huh. 你先會知道，發現到話我哋嘅呢個心咧，其實係好容易迷失嘅。練下練下，一下睇就變咗，之前就變咗。所以拉翻嚟之後，再練下練下，唔錯唔錯。之後又走去其他地方，已經控制唔到。呢個就代表我嘅心入邊咧，呢個愚痴，愚痴就係無明，就係唔知道而家做咩。呢個心。 ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะชำระได้บ้างไม่ได้บ้างผลอนิสงที่ยังหลอมค้างอยู่ในหัวใจของเราจะปรับพื้นเพรศิริวิสัยของเราได้เป็นอย่างดีในเมื่อเราหวังผลสูงสุดยังไม่ได้ผลเบื้องตามพื้นพื้นธรรมดาก็จะทําให้เราเหมือนกับลอยถูกได้สังเวยพ ร, ระมรรบางไปในขณะเดยียวกันจะทําให้ชีวิตมรรเราี้อยู่เย็นเป็นสุด อย่างน้อยถ้าเราไม่ตั้งใจรักษาสิ่งสิ่มีอะไรสงสิ่งช่วยปุกสมาธิสมาธิที่ช่วยปลุกปัญญาถ้าเราไม่ตั้งใจรักษาสิลโอกาสที่จะทําให้จิตสงบก็ยากเพราะจิตมันเร้าวร้อนอากความไม่มีสิ่งจึงมีความเกี่ยวข้องูกพันกันเมื่อเราตั้งใจรักษาสิลดีแล้วโอกาสที่เราจะทำสมาธิจะเปินสมาธิทีเกิดก็ไม่มีอะไรจะมาเป็นเด็นให้จิตของเราความวล จิตพร้อมจะได้รับความสงบเยือกเย็นอย่างรวดเร็วเมื่อจิตเรามีความสงบจิตเรามีพลังเราก็พิจรารณาหน้านปัญญาหลวงตาท่านสอนให้พิจารณาในขณะที่จิตของเราอิ่มจากความสงบเมื่อตื่นจากความสงบขึ้นมาแล้ให้พิจราจรณาเมื่อพิจารณาเหน็ดเหนื่อยก็ให้เข้าสู่ความสงบเมื่อมีความสงบเต็มที่ขยับตัวออกมาให้พิจรารณาหน้านปัญญา ให้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมเบื่องสูงอยู่อย่างนี้ธรรมะเมื่อต่ำพื้นพื้นในความเป็นอยู่ของเราก็จะปลอยได้รับความเยื่อเยีนไปนต่างๆกันเพราะคุณสมบัติของจิตของเราเกิดขึ้นจากการที่เราประคับประคองเอาสติมากํากับมัในในจิตของเราตลอดจิตจึงเป็นสิ่งที่สแสดงทุกสิ่งทุกอย่างให้ปรากฏในชีวิตจิต ใ, ใจของเรา เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เราควรรักษาอูแลประทับประคองให้ดีถ้าเราประทับประคองไม่ดีรักษาไม่ดีสิ่งนี้จะกลายเป็นพิษเป็นภัยให้กับเร า, เ ร, า, าระหวังความสุขหวังความเจรมากเท่าไหร่โอกาสที่จะประสบความสุขความเจริญหวังไม่ยากแต่ถ้าเรารู้วิธีการรู้แนวทางรู้ปฏิบัติตามที่พุทธิยถาท่านทรงวางไวแล้วเราตั้งใจดำเนินไปตามนั้น การทํอาหากินของเร า, เ พ, ราพอเป็นพอไปแต่เราให้โอกาสในการตั้งใจรักษาศีลในการตั้งใจเจริญสมาธิเจริญปัญญาชีวิตชาวพุทธของเราจะไม่เป็นหมันการระลึกน้อมนึกเอาพรพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มากระตุ้นแรงผลใจของเราก็จะมีผลมีอิสรสงคุ้มค่ามีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้ประพฤติฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า เมื่อเราตั้งใจใปฏิตปฏิบัติได้มากเท่าไราน้อยเท่าไราก็ย่อมมีผลตามมาไม่มีแหล่ะที่ทําไปแล้วไม่มีผลอะไรตอบแทนเมื่อเราตั้งใจลงทําเหพศไปแล้วผลอย่างไรหนึ่งต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราตั้งใจให้เกิด ร, ระความสงบคิดเราจะต่องได้รับความสงบเราพิจารณาอะไรความาหลงในหัวใจของเราก็ต้องได้รู้ได้เข้าใจ รู้เห็นเหตุนห็นปัจจัยรู้เท่าทันคนวายา ย, ยาของกิเลสอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นหลักเป็นหนักใหญ่ใจความที่เราเอามาเรียงมากับสูกบนฟัวันนี้โอกาสต่อไปของเราก็ทํามาเป็นประจำโดยเฉพาะตรงนี้อาจารย์สวนชวนเยีย น, นท่านก็พาพวเรารักษาศีล ถ้าพวกเราภาวนามาเป็นประจำใครตั้งใจปฏิบัติมีผลตรงค้ามอยู่ในหัวใจมากน้อยอย่างไรเพียงใดและการที่พูดคุยหลักธรรมะเพื่อให้เราได้ยินได้ฟังเรามีความเข้าใจมากน้อยหรือมีความคลองคล่อ ง, องาคล่องใจตรงไหนเราควรจะมาใช้วิธีทรมัสดาจักชา ตือสอบถามไตสวนซึ่งกันกันก็จะเกิดประโยชน์แก่เราจะประโยชน์แก่ท่านอย่างแน่นอนตอนนี้ให้ค่ครัวให้ดีแล้วก็ค่องแคลงตรงไหนแล้วก็คุยกันได้ซึ่งว่าที่ครูสออแก่ใส่ได้ด้วยก็เข้าหนอยู่ี่องค่าแล้วผปะแ้าโปะโปะได่ก็โอซีจีตายได้ก็ 定定，點樣心平靜之後，再去思考、學習、培養我哋智慧。如果你可以堅持呢個方法去做嘅話咧，呢個煩惱就會慢慢咁樣減少。你做得幾多？咁呢個所做嗰啲誒事蹟、嗰啲功德咧，都係會。 就喺呢個生命裏，就算你未必可以喺呢一切入邊咧，收到體現。<音> ตั้งใจฟังหนตัใจกว่าจะีตั้งใจฟังไหมใจสงมไเจ้าชื่นตง นะคือมันไม่ต้องมีใครแปลเราฟังธรรมะเหมืออย่างเราฟังลมตาตัณเทศเรามันต้องมีคนพูดแล้วก็แปลคือพวกเราฟังภาษาของเราให้เงีงแต่ถึงกระนั้นกตา่างบางคนยังไม่ยังไม่เข้าใจเรื่องธรรมะฟังไปก็เข้าใจไปฟังไปก็ไม่เข้าใจแม้แต่ล้ตายเองทัานก็พูด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 สำหรับผู้ที่ตั้งใจรำมนาะฟังธรรมะของท่านจนเป็นความเข้าใจจนมีความเข้าใจแล้วจิตมันจะเกาะในธรรมะของท่านทุกคําทุกประโยคทุกถ้อยทุกคําที่ท่านพูดออกมาเป็นธรรมเท่านั้นจิตมันจะเกาะกาอกาะกาะกาะเกาถ้าพูดถึงการพิจารณาในร่าน้ำใจใจมันก็มากเกาะที่ร่างกายพิจารณาสุภาสุฟังใจก็มาเกาะให้เป็นอสุภาพสุฟังไปในขณะเดียวกัน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 มันจะมีเนื้อหาของอัตธรรมตกค้างอยู่นในหัวใจของเราการฟังธรรมะนี่มันเป็นศิลปะชั้นเยียบเหมือนกันน ะ, นะการฟังธรรมะเนี่ยคนที่จะเข้าใจได้ได ล, ละเอียดและอ่อนจริงก็จะต้องเป็นคนฉลาดจะต้องเป็นคนมีประสบการณ์เคยได้ยินได้ฟังแม้แต่สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเรายิ่งฟังไปมากเท่าไหร่ เนื้อหาคำอัดคำมันก็ยิ่งเก่งแจ้มชัดเจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเช่นอย่างวาระนี้รอบนี้เราฟังไปแล้วเรามีความเข้าใจแค่นี้เราฟังรอบนั้นอีกเมื่ออยากเราฟังเรื่องเรื่องต่างเอามาปวดฟังพอเราฟังอีกรอบนึ่งแม้แต่ความหมายของของธรรมข้อเดียวกันเนี่ยพอเราฟังอีกมันจะทําให้เราเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกจิตของเราเริ่มทราบ ซึ่งเกาอยู่ในนั้นเช่นอย่างท่านพูดไปทั้งหมดกินข้าวานักาาจจไปเกอะสักห้าประโยชนหรือสิบประโยคน์เนี่ยพอ พ, พูดไปเรื่อยๆก็สิบยี่สิบสามสิบน้ำหนักข้าวเกาะทุกคําพูดเลยเนื้อหาของอัดคำมันแจ่มแจ้งในใจของเราทุกประโยคน์ถูกกับพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมเหมือนกันขึ้นอยู่กับสติขึ้นอยู่กับปัญญาของเรา สวัสดีกับปัญญาก็คือขึ้นอยู่กับบุญญาบา ร, รมีอินทรีย์ของเราเช่นเดียวกัน ท, ทําไมปัญญวัตถีจังห้าจิตไม่บรรลุธรรมพร้อมกันเนื่องจากว่าอินทรีย์ไม่เท่ากันอินทรีย์ไม่เท่ากันก็คือบุญไม่เท่ากันคุณสมบัติของกิตดีไม่เท่ากันต้องซ้ําแล้วซ้ําอีกใช่ไหมห้าองค์ได้มนุษย์เป็นโสดาบันวันละองค์วันองค์วันลองค์สี่วั น, ว น, ว น, วนห้าวัน ได้เป็นประโสดบบาบันทั้งหมดเราเห็นว่าวันที่6พรสสะพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอนัตตละักษณคณะสูตรพอแสดงจบปัพได้เขาว่ามันมีพื้นฐานเท่ากันอยู่แล้วพอแสดงอนัตตละักษณคณะสูตรจบภาบปับปญจมัคียะคะ์ละหานได้เป็นพระอาหารทั้งหมดนี่คือศิลปะการฝั ง, งครั้งแรกพระอานาปาูนย่ารู้จักพระพุทธเจ้าแค่ทรงเดี่ยวเท่านั้นเองใช่ไหม ก็อะไรมันขึ้นขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยหลายอย่างตรงนี้เราก็ไม่สงสัยหรอกเพราะว่าพวกเรามาเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์บ่อยครั้งอย่างเมื่อวานเราไปพูดธรรมะที่ปีนังตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นวัดที่ไม่ค่อยจะมีครูบาอาจารย์เท่าไหร่ครูบาอาจารย์ถ้าทำาไปบ้างไม่ไปบ้างเขาก็ไปจาบุญตาม ความนิยมของเขาบ้างก็ไปตั้งใจฟังธรรมะบ้างแล้วก็มีความสงสัยหลายประเด็นพูดคุยกันสนทนาหมดเวลาไปสามทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเมื่อวานสี่ทุ่มครึ่งที่วันนี้เราก็พูดธรรมะไปเป็นเป็นชั่วโมงแต่ก็มันเป็นเหตุให้ท่านก็นให้ใจของเรา ถ้าเราฟังเนื้อหาอักขรมที่เราฟังเข้าใจก็เป็นเหตนประเทือนปัญญาของเราไปแต่ถ้าเราตั้งใจฟังให้ใจเราได้รับความสงบเราไม่ต้องสนใจกับเสียงเราสนใจกับพุทโธในใจของเราเริ่มตั้งใจฟังฟับจับพุทโธในใจของเราเลยพุทโธพุทโธพุทโธนักหนักเข้ามันไม่สนใจกับคำพูดไม่สนใจกับคำเทศ มันสนใจกับคำว่าพุโทโธในใจของเราพอท่านหยุดเทศจิตของเราสงบมาไมา่รู้สักกี่ระยะแหละบางทีชั่วโมงชั่วโมงกว่ามี ừ, ฟังตรรมแบบนี้เป็นฝังเป็นฟั ง, ฟ ง, ฟงการสั่งธรรมภาพปฏิบัติได้ผลมากกว่าเราไปทําโดยลำพังน้องตาทัานว่าได้ผลมากกว่าเราไปทําโดยลําพังทําไมได้ผลมากกว่าเพราะเราฟังสดๆร้อน จากที่ประเทศในกองไจิตใจมเกิดมีความรอกด้วยมีความอยากเกรงด้วยมันมีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นด้วยก็เลยเป็นเหิดให้ตั้งอกตั้งใจเมื่อเราตั้งอกตั้งใจทําสร้างเหตุลงไปผลทั้งหลายก็ย่อมก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราไม่ต้องสงสัยดังทอาจารย์สีทองว่า 而家大家係通過關聯，其實咧，係師傅嘅師傅喺度監啊。當年佢跟住一個心靈派嘅達師，唔關<嗯>心。 ้อยก็คือสิบบาทคือมีรูปร่างการสูบของเราสขาดูไม่เ็น 淨法，淨法就係攞嚟將我哋呢個心煩到手指污糟嘅嘢，淨法就係攞嚟將呢啲污糟嘅嘢咧洗乾淨，一直咁去修行，一直慢慢將佢嘅心洗乾淨佢，一直做，一直擦，一直辦，你嘅心就越嚟越乾淨，到最後。 ม่ให้เราทุกวิเลการไม่ให้โกหกงรือหลาบความไม่ดีไม่ให้ไปกินขอนมล่างะเราเรียนรู้หรืออา่านชื่อ Okay mm -hmm. เราจะพเ้เกิดเราจะพ้กงตายเราจะพ้มียมพัด ท, าทา่ทาจากรารับขอคุณับ ที่เป็นสมาธิหรือได้รับความสงบแล้วให้ทำเหมือนั้นเวลาเราภานาด้วย 等其他嘢，我走去睇你嘅呼吸會越越嚟越有勢，甚至於咧到最尾咧，連呼吸都好似係無舉你可以收唔到嘅呢個程度咧，你唔會啊，你千祈唔好覺得驚，之間嘅呢個動作，呢個係一個 Uh-huh. 因為瞓覺前呢個時間係最好嘅時間，你嗰時已經冇。 สี่หัวไก่พวกพี่รู้จัก สมิชชั่นถกสัมผ